ต่อ น, นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าไปนั่งงกนั่งง่วงโย่ปุกกายปลุกใจของตนให้มันตื่นให้มันตื่นอยู่เสมอตื่นตัวความแก่ ความเจ็บความตายอันนี้มันเราหลีกไม่พ้นนะแต่บคุคคลใดไม่ตื่นตัวผู้นั้นก็จะได้ประสบความทุกข์ในภายหลังเพราะความไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเวลาความแก่ความเจ็บมาถึงเข้า ก็สะดุ้งหวาดกลัวเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แถมถ้ารู้ว่าความตายจะมาถึงจริงกลัวใหญ่อันอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาทุกวันทุกวันเป็นอารมณ์ เพื่อมันชินต่อความจริงเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาเข้าไปในร่างกายนี้จริงๆเข้าไปพอเห็นแจ้งประจักษ์แล้วจิตมันก็เบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรารถนาที่จะยึดถือเอามันอาเป็นตัวเป็นตนของตน ก็ปล่อยวางปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตใจสงบลงเป็นสมถะนี่จะชื่อว่าเป็นกรรมฐานอันหนึ่งที่เราจะต้องเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตน เพราะความจริงเหล่านี้ใครๆก็ยอมหลีกไม่พ้นแต่เมื่อไปพิจารณาบ่อยๆมันทำให้ใจมันยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันยึดถือแล้วมันก็อะไรเวลามันจะพัดพลาดจากไปก็เศร้าโศกเสียใจ หรือสะดุงหวาดกลัวพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่ย่อมสะดุ้งกลัวต่อใครคือความตายสะดุ้งกลัวต่ออา ญ, ญาคือความตายมันเป็นความจริง ผู้ที่ไม่สะดุง้งยงจริงจังแล้วก็ได้แก่พระอราหันต์เท่านั้นแหละที่ท่านไม่สะดุ้งต่อความตายเพราะท่านเห็นแจ้งแล้วว่าขันหานี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราของเขาท่านเห็นด้วยปัญญาอันยี่ยมเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ สะดุ้งหวาดกลัวต่ออั ญ, ญาคือความตายเพราะท่านเห็นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายเป็นได้ธาตุสี่กันห้ามันแตกดับไปเท่านั้นเองนี่มันก็เป็นความจริงถ้าบุคคลมีใจสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็รู้ มันก็เห็นชัดเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงจังประกอบเป็นโดยธาตุสีด่ดินน้ำไฟลมมีบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งอ่าแล้วทำไมมันจะมาตกแต่งให้เกิดขึ้นมาที่มันมาตกแต่งให้เกิดขึ้นมาก็เพราะ ดวงกิดดวงนี้แหละมันไปยึดเอาไว้ยึดเอากำดีกำชั่วไว้ในชาติก่อนนุ่มนมันยอมไม่ไม่ยอมปล่อยวางขันห้านี่เมื่อไม่ปล่อยวางขันห่านี่มันก็ยึดเอาใช้ขันห่านี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างเมื่อทำแล้วก็มายึดถือเอาไว้ในใจอย่างนี้นะ มาพ้นจากคบจากคาดนั่นเอากรรมนี้มันก็นำมาเกิดอีกเพราะว่าชอบใจกับขันห้าอยู่นี้กรรมนั่นมันก็มาแ่งให้อาศัยขันห้าขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละสา่เหตุที่มันจะเกิดมานั่นนะทั้งที่ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงอยู่ตามธรรมดาแล้ว แต่มันก็ยังมาเกิดมาอาศัยอยู่ก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งครไม่จริงนั่นแหละพูดง่ายๆมนมีความภาคเพียนไม่ยามที่จะเพ่งปีนิดพิจารณาหันห้าน้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงมัวแต่เพลิดเพลินในกรรมคุณเห็นว่า รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสูขกให้แก่ตนเมื่อตนได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วตนจะมีความสุขมากจิตนี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงดีนแสวงหาแต่กรร ม, มากุณเมื่อเวลาความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเข้าแล้ว เอ้รูปเสียงกลิ่นรสเคืองสัมผัสที่น่าพอใจรักใคร่ต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้มาช่วยเลยไม่ได้มาบรรเทาทุกทางใจเลยมีแต่ทำให้เป็นทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกเพราะอะไรนั่นแหละพิจารณาให้ดีสิ่งที่จะบรรเทาทุกข์ทางใจ ก็ได้แก่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงในขันห้านี้ก็เห็นว่าขันห่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ไม่สงควรจะมาห่วงใยอะไรควรปล่อยคววางไว้ตามสภาพนี่แหละปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจึงสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางขันห่านี้ไว้ตามสภาพ มันเป็นอย่างไรกระดูมันอยู่อย่างนั้นแหละมันแปลปรวนไปก็ดูมันเลื่อยไปมันบังคับไปได้ก็รู้ก็ดูมันอย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญานะเมื่อโอโลมให้เกิดขึ้นแล้วมันย่อมสอนใจให้รู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น รู้แล้วก็มายึดไม่ถือเอาไว้ก็ปล่อยวางตามสภาพของมันก็เพียงตะบำรุงมันไปตามธรรมดาเท่านั้นเองถ้าว่าผู้ที่อยู่ในทำขันตำก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช้ขันห้านี้ทำบาป ไม่ใช่มาในฆ่าสัตว์รักทรัพย์กระพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาท ด, ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนจึงชื่อว่าผู้รู้แจ้งในขันห้าเช่นพระโสดาบันท่านรู้แจ้งในขันห้าด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราของเขาอะไร ่นสงควรจะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาอันนี้คุณธรรมของพระโสดาบันเมืม่อมันเกิดขึ้นในใจของท่านเมือ่อใดแล้วมันก็ไม่ดับมันก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นแหละความรู้ความเห็นอันนี้ท่านก็ดำรงชีพยอยู่เหมือนยังคนนมรดาทั่วไปแหละแต่ถ้าไม่ทำบาป สิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษเมื่อศึกษารู้เข้าใจแล้วก็เว้นไปหมดเลยไม่ทํมมันจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ ส, สอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติทางใจฝึกใจของตนอย่าให้หลงก็เพราะเหตุดังกล่าวมานั่นแหละ ถ้าไปหลงแล้วมันเป็นทุกข์หลายเหมือนอย่งบุคคนหลงทางในป่านี่วกไปเวียนมาหาของเก่าเรื่อยไปทีได้ก็วกไปเวียนมามาหาของเก่าจึงได้เกิดความทุกข์ใจหลายเพราะว่าเดินไปแล้วมันมันไม่ถึงทางที่ถูกต้อง วนไปเวียนมาอยู่ของเก่าผู้หลงทางก็เป็นทุกข์เดือดร้อนหลงทางภายนอกนะผู้หลงทางภายในทางหลุดทางพ้นไปจากขันห้านี้ก็เช่นเดียวกันนะนะั่นแหละยิ่งเป็นทุกข์หลายกว่า น, นั้นอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางตรัสไว้ในสติปัฏฐานนั่นนะสูตรหึง เอกายโนอยังมะโกสัตตานางวิสุทิยาเป็นตนผู้ใดมาพิจารณากายนี่นะให้เห็นเป็นสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ในใจบุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยผู้นั้นเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้ว ย่อมบันเทาเสียได้ซึ่งความโศกเศร้าเสียใจที่ไร้ลำพันธ์ต่างๆความโศกเศร้าเสียใจย่อมดับไปจากกิจใจของผู้นั้นความทุกขโทมนัสรับแค้นใจก็ดับไปอา้าวก็ดับไปจริงเลยเพราะว่าจิตนี้มันเห็นแจ้งแล้ว มันปรงมันวางไว้ตามสภาพแล้วก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับความวิบัติแปลปนของร่างกายนั้นอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักหาทางออกจากทุกข์ให้พบเราจะไปเดินด้วยเท้าเลยก่อน ไปจนตลอดชีวิตก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้จะหเหาะเฮินเนินอากาศไปทั่ววิภพนี่กับพ้นทุกข์ไปไม่ได้เหาะไปในทุกมันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละในเมื่อยังได้อาศัยขันห้านี่อยู่ตราบใดแล้วทุกขมันก็ย่อมมีอยู่ตามนั้นจะเรียวิปัสสนาเกาะมารู้แจ้งอย่างนี้แหละ เพ่งพวาณามันรู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่ามานั่นแหละนั่นแหละเป็นานิสงแห่งการพิจารณาร่างกายสังขารนามรูปเป็นอารมณ์จนเห็นแจ้งประจับยอมได้รับานิสงเมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติลงมันจะแตกจกะดับ ผิตนี้ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจพี่ไร่ดาพันไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นเราท่านรู้แจ้งอย่างนี้ คำว่าเราก็โดยสมมุติเอาดวงจิตนี่แหละจะพูดถึงความจริงแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรหรอกสมมุติว่าเอาสี่จขอให้รู้เรื่องกันถ้าจะว่าให้ตรงๆก็ขันห้าไม่ได้มีอยู่ในจิตจิตไม่ได้มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่เป็นจิตจิตไม่ได้เป็นขันห้าเอาว่าตรงๆกันอย่างนี้หลย เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้มันจึงไม่หลงเวลาที่ร่างกายมันจวนจะแตกกระดับมันก็มีสติสมปัจเจเนะประคองจิตไว้อย่างเต็มที่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เท่าอย่างนั้นเสมอไปนั่นเน่ย แต่สำหรับท่านผู้รู้แล้วท่านไม่มีอะไรมีแต่ท่านกำหนดจิตรู้แจ้งอยู่ในขันห้านั้นแล้วไม่วนไหวต่อมันเท่านั้นเองแล้วเมื่อได้เวลาแล้วท่านก็เข้าสู่นิโรธนิพพาน พระอรหันต์ตายไม่เหมือนคนธรรมดาตายคนธรรมดาตายนี่ลองสังเกตดูฟังดูลมหายใจวาลาสุดท้ายเวลาจะตายจริงดังครอกเท่านั้นเนี่ยได้ยินในหัวดังคลอกล้วก็ะเงียบไปเลยแลวันนี้เราหมายใจก็มมดแต่พระอรหันต์นี่ ลมหายใจไม่ปรากฏดังครอกอย่างนั้นไม่มีมีแต่ลมหายใจหมดไปธรรมดาธรรมดาอืไม่ดังครอกดังแค็อกอะไรเลยนี่มันมันต่างกันอย่างนี้คนธรรมดาสามัญตายกับพระอราหันต์เข้าสู่นิพพานมันต่างกันอย่างนี้ในเวลาสุดท้ายจริงๆเนะี่ย ดังนั้นเราต้องให้เข้าใจไว้ความตายเนี่ยมันมีอำนาจเหนือชีวิต จ, จิตใจของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มันหลีกไว้พ้นเลยมีแต่หลีกพ้นได้แต่พระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นท่านผู้ใดบรรลุซึ่งพระนิพพานได้แล้ว ท่านผู้นั้นก็ไม่วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่เป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ผู้ที่ยังปรงขันห้าวางขันห้าไม่ลงก็ได้ชื่อว่าปล่อยวางกิเลสไม่ลงเหมือนกันเพราะว่ากิเลสก็อาศัยผิดอาศัยขันห้านี้เอง ถ้าจิตปล่อยวางขันห้าในองค์ฐามุภาพแล้วทีเลจะไปซ่อนอยู่ในขันห้านั้นก็ไม่ได้จะไปซ่อนอยู่ในจิตนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าปล่อยวางทิ้งจะแล้วด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นสันธิธโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเอง จะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยใครทำคนก็รู้รู้ว่าจิตของตนมันอยู่ในระดับไหนอยู่ในโลกียะธรรมหรือว่าโลกุตระธรรมอันนี้เป็นหน้าที่ของใครของเราจะรู้ตัวเองเอาเองแต่เมื่อรู้ตัวว่าอยู่ใน ทำอันเป็นโลกีอย่างนี้แลว้วก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าเพราะจิตถ้ามันยังอยู่ในทำมันเป็นโลกีแล้วมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันต้องวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้แหละไม่จบไป่สิ้นลงเลยส่วนท่านพูดได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแต่พระโสดาบันขึ้นไป ท่านก็มีหวังที่จะได้บรรลุถึงซึ่งปณิพานไม่นานนักถ้ารู้ได้ดังนั้นนะพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงไม่เกียจคร้านการทำความเพียรเพื่อให้ดได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับ อันฟุตุชนคนธรรมดาสามัญ น, นี่มันมองไม่เห็นทางมืดซึ้อไม่ทราบจะออกจากทุกทางไหนบางคนก็รู้อยู่แต่ว่าคาความเกียรติคลานคากิเลสตัณหามันบังคับเอาไม่ให้ทำความเพียร น, นั่นแหละให้แต่เห็นแต่แก่รับแก่นอน นอนเท่าไหรก็ไม่รู้จักอิ่มก็ติดรสชาติแห่งความนอนเดี๋ยวก็นอนเรื่อยไปอย่างนั้นแหละอันนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําชีวิตให้เป็นมันไม่ได้ฝึกไม่ได้พอกผลตัวเองให้ตื่นตัวต่อัยคือความแก่และความตาย เมื่อไม่เห็นแจ้งในความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้มันก็ต้องยึดถือมันยึดถือแล้วมันก็เป็นตัวกรรมนำมาให้เกิดเป็นขันห้าขึ้นมาอีกก็อยู่อย่างนี้แหละแต่บุคคลผู้รู้อ่บุคคลผู้ไม่รู้ทางให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน มันก็ยินดีที่จะเทียวมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี้ยอีกควาไม่รู้ทางอื่นนี่มองเห็นแต่ทางเดียวเท่านี้อย่างนี้แหละนี่มูลเหตุที่จะให้คนเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏตะสงสารอันนี้นะเมื่อสรุปใจความลงแล้วก็หมายความว่าอาศัยความไม่รู้นั่นเองเนี่ยเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยอันสาคัญ พอไม่ร so mm ู้ถ้าอย่างเดียวแล้วมันยึดไปหมดเลยจิตเนี่ยเห็นสิ่งใดชอบใจก็ยึดสิ่งนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีแต่มันยึดถือเรื่อยไปอย่างนั้นคนเช่นนั้นจึงสมควรที่จะฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาให้มันรู้แจ้งตามเป็นจริง ให้ได้ไม่ใช่ว่าไม่หลงนะแบบนั้นนะเดี๋ยวม่ายัางหลงอยู่มเมื่อมันยึดถือธาตุสี่ขันธานี่ว่าเป็นตัวเป็นตนตแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจนั่นต้องเข้าใจอย่างนี้อันมันจะ ส้างความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรโมนีขึ้นในใจก็เพราะมันสำคัญว่าขันหานี้เป็นตัวเป็นตนนั่นเองนะเนี่ยเราจะรู้ได้เวลาใครเขามายกโทษติเตียนเข้าไปเขามาด่าว่าไอ้นามสกุลนี้นะมันไม่ดีแต่ไหนแะไรมาอย่างนี้นะพอได้ยินเข้านะั้นไม่พอใจแล้ว เสียใจนะหาว่าเขาด่ากระทบกระทั่งตนถึงโคตรถึงวงนั่นในลักษณะของจิตที่มันยึดมั่นถือมาในขันห้านะมันก็เป็นอย่างนั้นไนงะแล้ามันหวงแหนไว้ไม่ยอมให้ใครเขาว่าเขายกโทษติเตียนเลยมันก็เป็นเหตุให้ ก็การทะเลาะวิวาทกันขึ้นผูกกรรมผูกเวรต่อกันและกันไปไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่อโหสิกรรมให้แก่กันและกันก่อนเพราะเห็นนั่นในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันแล้วในเวลาโอกาสอันกำเนวยอำนวยให้ต่างฝ่ายต่างก็ขอโทษต่อกันและกัน ต่างฝ่ายก็อาโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปไม่ถือสาหาความกันแม้จะกระทบกระทั่งกันมาแต่ก่อนก็เอาโหสิให้กันไปอย่างนี้แล้วกรรมนั้นมันก็ระงับรงมันจะไม่ติดตามสนองต่อไปอีกแล้วผูนั้นกระด่อว่าลดทิฐิมานะลงมากพอได้ ผู้ที่ยอมขอโทษผู้อื่นในเมื่อตนล่วงเกินผู้อื่นไปแล้วและผู้ที่ถูกล่วงเกินนั้นก็ไม่ถือตัวเพื่อนขอขมามาเราก็เอาโหติกรรมให้ไปนั่นเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไม่ถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนตก็จึงไม่สร้างกิเลสพันห้าตัณหาลอยแให้เกิดขึ้นในใจ เป็นอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจอันที่คนเราจะเที่ยวทุกขเป็นทุกข์อยู่ในวัฏฏ์สงสารนี่นะสรุปความรงแล้วว่ามันก็มีอาศัยจิตดวงเดียวเท่านี้แหละเมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการฝึกผลอบรมปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้ว จิตนี้มันก็เที่ยวไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกอันนี้นะนั่นแหละมันจึงเป็นกรรมมาพบเป็นกรรมที่นำให้เกิดในพบในชาติต่อไปมันเป็นอย่างนี้ให้พากันหวนระลึกทบทวนเบืดูเบื้องหลังแห่งความเป็นมาของตนถึงจะระลึกชาติโน้นหลังไม่ได้ก็าตาม แต่เมื่อเราอะุมานคืนหลังไปชีวิตของเราแต่ละคนนี่นะเคยเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาเคยตกเป็นทาดแห่งราคะตัณหาความรักความใคร่ความเกลียดชัง ต, งต่างๆมาแล้วอย่างโชคชลนะไม่ใช่ว่าไม่ได้สัมผัสกับกรรมคุณนี้มาเลยไม่ใช่ มันเป็นพื้นมาแล้วแต่ไหนเทไรมาให้ทบทวนดวูแต่จนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยัง้นทุกข์ไปไม่ได้บางคนยิ่งยากจนขนแค้นหากินไม่พอปากไม่พอปากพอท้องหาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่ไหวอ น, นะมันก็เป็นเรื่องที่ บุคคลผู้มัวเมาพ ม, มา่ามาแต่ชาติก่อนไม่ได้ทำความดีอะไรไว้นั่นก็ได้ทำความดีไว้คนยังชั่วน้อยเกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาบยศสรเสริญด้วยความสุขแต่ว่าลาบยศเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนในเมื่อขันห้านี้มันไม่ยังยืนแล้วอันสิ่งอื่นมันก็มายังยืนเหมือนกัน นั่นต้องภาวนาพิจารณามันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ใกล้ต่อหนทางหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายดังแสดงมา